ไม่ต้องรีรอนะพวกเรอทำงานทำการหลงตาก็เพียนพยายามที่จะทูตสู่ฟังไม่เบื่อางในกา ร, รแสดงธรรมเพราะมันเป็นความจุดยอดของการศึกษาเป็นการเรียนรัด ผู้ฟังก็อย่อเบื่อหน่าย่อยเบื่อหน่ายต่อคํามังสอนขี้เกียจทมขี้เกียจทาตามเห็นแจการหลับเจอ น, นอนความสะดวกสบายไม่ประกอบการ ป, า ร, ประลบเพลี่ยนเพลิดเพลินถ้าเยอทยานในโลกเกินไป ในความกังวลปฏิพุทธมันก็เป็นไม่ไม่เจริญเป็นชีวิตที่ไม่เจริญเรามาศึกษากันเถอะมาเคลื่อนย้ายขนส่งตัวเรามีสติมีความรเลึกได้มีความรู้ตัวทำทั้งหลายเนี่ย สตินี่เหมือนลอยเท่าของช้างลอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงที่ลอยเช่าช่างได้หมดทุกลอยทำทั้งหลายก็เหมือนกันออกจากขึ้นออกจากที่ได้คือสติอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อวานนี้ว่า ผ่านผ่านอย่าอยู่มันหลงก็รู้ผ่านไปแล้วมันไม่รู้ก็รู้ผ่านไปแล้วถ้าไม่รู้ไม่ชี้อะไรอยู่เฉยๆก็ไม่มีวิธีไม่มีการแสดง เ, เหมือนคน้อนหินคนดินชีวิตเราต้องต้องไปถ้าเราไม่ไปมันก็จะไปอีกทางหนึง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 เราจึงต้องมาถวนกระเสือเหมือนพระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดเวลาฉันข้าวนางสุชดาสมัยเป็นโพธิสัตว์พราก็ว่าถาดไหลถ่วนกระเสาน้ำไม่ใช่ถาด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 พระนั้นตัวลู้ตัวนี้เป็นการไปเหมือนขนส่งพระเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่ปฐมพระโพธิการจนถึงปชิมพโรโพธิการก่อนบรนนี้านก็ก็ก็บอกขั้งสุดท้ายเป็นพระวจาพรำสอนอนันมีในขั้งสุดท้ายของพระตถาคุเจ้า ว่าเธอทั้งหลายจะได้ประมาทคือมีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวมาเห็นมารู้รู้กายเคลื่อนไหวไปมาประกอบมันเคล่อนไาถ้าไม่ประกอบมันไม่มีมันจะมีตัวหลงมากกว่าเราจึงประกอบเห็นกาย เห็นสิ่งที่มันมีอย่าไปหาสิ่งที่มันไม่มีไม่ใช่หามันเห็นทันทีเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นอันเดียวอยู่ตลอดต่อหน้าต่อตามันก็เห็นอันอื่นเด็กเยอะแยะนอกจากกายแล้วก็มีเวทนา มีจิตมีธรรมแล้วก็ผ่านตรงนี้เรื่อยๆผ่านแล้วผ่านเล่าเหมือนกับเราเดินทางจำนานในเช่นทางเจ้าของทางเมนบ้า น, านอยู่หลังเขาเอะรถโดยสารบนหลังเขาขึ้นเขาลงเขา <c oughs> เป็นทางของเขาไม่มีอุบัติเห เหตุใดเพราะเป็นทางของเขาเขาชำนาญในการขึ้นกงินลงแต่ถ้าคนที่อื่นไม่ขึ้นมักจะพลาดได้แล้วก็อุบัติเหตุหลายครั้งหลายคราวเพราะเขาไม่เคยเคยนั่งกับรถ คนที่ไม่เคยขึ้นเขาเขาก็จังหวะไม่ถูกตอนที่ขึ้นเขาทีแรกพอขึ้นมาแล้วมันมีมีเรียบนิดหน่อยเขาก็ปล่อยเกลียวเบาเกลียวเบาพอดีมันขึ้นอีกพอมันขึ้นอีกเขาไปลงเกลียวหนักเก็ดับถ้าลถมันมดับเครื่องมันดับมันขึ้น สั้นๆเวลามันเนินเปนทางาเสมอมันไม่ยาวเขาเพลินไปเขาไปขึ้นเข้าก็ เ, เกรียนหนักตอนขึ้นใกล้ๆก็เลยลดหนักก็ไปไปได้แล้วก็ดับพมันดับเพาถ้ามันหนักมันถอยหลังมันออกมาอยู่ตกเขาไป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 รูปมันบอกนามมันบอกไม่ใช่คิดเห็นนะมันพบเห็นเขาโอ้อนเคลื่อนไหวอยู่นี่เป็นรูปที่มันรูจากเคลื่อนไหวนี่มันเป็นนามมันเป็น่ารูปมันเคลื่อนไหวเป็นเป็นหลักฐานที่มันตั้งต้นตรงนี้เหมือนกันหมดทุกคนต่วรูปนาม พอเห็นรูปเห็นนาก็เห็นรูปธรรมนามธรรมที่รูปมันธรรมนามมันธรรมเห็นรูปธรรมเห็นนามมันธรรมทำอะไรทอสลามทำชั่วทอสลามทำดีรูปธรรมอีกอันหนึ่งคือธรรมชาติประกอบกันหลายอย่างมันมีอาการมี วัตถุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันแล้ว่าเกิดสุเกิดทุกข์เกิดอะไรต่างๆได้ถ้าทำโทโทโทงตัวโลสองตัวมอมา่ามันทำนเป็นรูปธรรมทำตัว น, นี้จำแนกไป มันเกิดขึ้นระหว่างมีรูปมีนามมันก็เป็นรูปทำนามทำเป็นรูปทำนามทำที่เป็นธรรมชาติมีร้อนมีหนาวมีหิวมีปวดมีเมื่อยก็เลยเห็นลักษณะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวทนาแต่ก่อนเป็นเวทนาเว้นสุขเป็นทุกข์พรไมเเ่เห็นเข้าเห็นมันเป็นอาการซะว่าใช่เวทนาไม่ใช่สุขไใช่ทุกข์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 เอาใหอุปท า, านยึดเอาดังที่เราสวดว่าเราย่ออุปาทานขันนะฮะอันรูปธรรมที่นั่นไม่เป็นขันถ้าเราไปยึดก็เกิดเกิดดับเกิดดับขันนั้นนะขันที่เป็นนามมาทำมันเกิดบนรูปธรรมเหมือนกับภูเขาลูกนี้มันเกิดมีภูอีก หลายลูกอยู่บนเขาลูกนี่มันมันขี่อยู่มันขี่อยู่บนภูเขาภูโคภูชีภูยัวภูกระแจกภูสามชั้นภูหลงภูอะไรเยอะๆไปเลยแล้วก็มีภูหลงเป็นวัดหนึ่งของพวกเรามันมันยืนอยู่หลังเขาลูกนี้สูงขง้นไปหน่อยน่ะ อันที่บัญชีอยู่บนรูปธรรมอยู่บนนามธรรมเนี่ยมันมีรูปอีกกันไหมรูปวันนั้นอ่ะมันสร้างกัะหางถ้าเราไม่เห็นมันถ้าเราเป็นสุขทำไมเราเป็นทุกข์ได้เห็นเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เพราะว่าเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันเป็นอาการไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ แต่ก่อนเเอามาเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นโลเป็นโขวดเป็นหลงเป็นกิเลสตัณหาล่ะก็ถือว่าเราเพราะอะไรเราจึงถือเพราะไม่เห็นแต่ก่อนไม่เห็นเอามาเป็นตัวตนหมดทุกทุกอย่างในรูปธรรมในนามธรรมในรูปธรรมในนามธรรมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นแจ้งเข้าไปว่าอันรูปธรรมนามธรรมนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็น ทุกขังอะไจังอะไตาเอ้าพอเห็นตรงนี้แล้วอะไรก็ง่ายแล้ว่ะอะไรก็ง่ายแต่ก็หนักเพราะว่าเห็นแก้งแหะมันโบมันเป็นที่ทิ้งที่วางไตลักเนี่ยไม่ใช่ของเล็กร้อย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 เป็นการสาธยายสมัยก่อนไม่มีการสวดมนอาจจะไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระก็พระสงฆ์ก็นัดกันเองพระเจ้าก็นัดป้ายเถอดภิกษุทั้งหลายเราจะพาไปหรือภิกษุทั้งหลายเดินเข้าป่าก็พระเจ้าก็จับใบไม้ขึ้นมากับมือเดียว เอาชูใบ ไ, ไม้ให้พิกูจน์ดูว่าดูก่อนพิกูจนใบ ไ, ไม้ในป่ากับใบ ไ, ไม้กับมือเดียวอันไหนมันมากกว่ากันพิกูุน์ทั้งหลายก็ตอบว่าใบ ไ, ไม้ในป่ามากกว่าใบ ไ, ไม้กับมือของพระพุทธเจ้พาพระเจ้าก็บอกว่านี่การล้วอะไรมากมายแต่ว่าการกรรมมาทํำน้อย คือมาลู้สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้ทั้งหลายเหมือนใบไม้ในป่าแต่เอามารู้เป็นเรื่องเดียวคือภาวะความรู้สึกตัวมาเห็นาเวทาก็เห็นสัญญาก็เห็นสังขารก็เห็นวิญญาณก็เห็นเวทาคืออะไรความสุขความทุกข์สัญญาคืออะไรสัญญาคือจับไว้อาไปจุ่มเอาเหมือ น, นเราย่อมผ้า เมื่อเราภาพไปย่อมมาก็สีใดมันก็ติดในขันเนี่ยเราขยันย่อมตรงไหนแล้วก็ติดตรงนั้นเรียกว่าฉัญญาสังขารก็คือขยันขยันย่อมอยู่เรื่อยๆขยันโกรธขยันหลงขยันสุขขยันทุกขยันลักขลันชังมันก็ขยันเรียกว่าสังขารอยู่ไม่เป็นชอบปุงปุงแต่งแต่งเรื่องน้นเรื่องนี้ คนเวียนเวียนไหวตายเกิดเกิดดับเกิดดับเวียนอะไรวิญ <c> ญ <oughs> าณวิญญาณก็ติดไปเมื่อย่อมเราก็ติดให้กายกายเป็นวิญญาณวิญญาณแบบไหนถ้าไปยออ่อมอกุศลละทรรมมันก็เป็นภพต่ำ เป็นอบายภูมิไปเปรตสโรกายจัตลกเดือดฉานได้อันมันติดโดยเฉพาะส่วนมากอุปทานตัวนี้นมันติดไปพอมาเห็นเข้าพอมาเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารอยยางนั้นเป็นอาการของกายของใจของรูปของนามมันก็ง่าย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 คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าวางก็เอาก็เบาถ้าเอาก็หนักการวางคืออะไรหลุดหลุดออกหลุดจากอะไรหลุดจากความหลงหลุดจากความทุกข์ความสุขความรักความจากหลุดออกมาก็เบาไปเบาไปเรียกว่ากายละหุตาเบากายจิตละหุตาเบาจิต ก็ เ, เกิดเบาขึ้นมาสนุกสนุกกับการใช่ธรรมะใช่บทเรียนใช่ประสบการณ์จากการกระทาที่เรามีการพบเห็นสอนตัวเราหลุดไปนี่ใจรักเป็นที่ทิ้งที่วางรูปดามเนี่ยเอามารวมลงที่ใจรักเฉลยไปเลยสนุกว่ะสนุกเฉลยไป เริไ่ไปเห็นทุกรูปทุกนามทุกทุกของรูปมีเยอะแยะนะไม่ทวนอ๋อไม่เห็นทุกตรงไหนเอาทุกที่มันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตามีไม่ใช่เราไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกขัง ไม่หายใจไม่ได้หรือไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องถ่ายหนักถ่ายเบาต้องกืนดำไหลต้องผิดต่ <c oughs> ต้องยืนเดินนั่งนอนอันทุกขังตัว น, น้อยู่ไม่เป็ยนอยู่วันิี้ไม่ได้มันไหลไป อันนี้จังก็ซ่อนว่าไว้อันทุกข์ขังนี่ก็ไม่ใช่ทุกมันเป็นอันนี้จังอยู่ไม่พี่เป็นทุกข์แม้แต่ความโกรธก็เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงความรักก็เป็นอันนี้จังความหลงก็เป็นอนจังแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ไปใช่ตัวนี้ออก็ยืดตัวทำตามมันก็เสียเปียกไน เอาของไม่จริงว่าเป็นของจริงเอาของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนก็ไปเห็นทุกข์แตะก่อนสูบุรี่ทั้งๆที่มันเป็นทุกข์แล้วรูปเนี่ยเอาบุหรี่มาให้มันสูบเอาเล้ามาให้มันกินเอาอะไรต่างๆมาให้รูปนี่บางทีก็มีอะไรที่พระลงพลังคาเบการลาหะเวอันขันเป็นพระลาหนักขึ้น ตังแต่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หนักแล้วเราเป็นคนเขี้ยวหมากกินหมากก็ถือตะก้าหมากว่ากก็อยู่ไว้นิ่งต้องเขี้ยวต้องถือกระโถนต้องถูถุงน้ำมากน้ำหมา ก, น, มากน้ำลายม่วนไปเป็นลถเป็นเหลือน่าสมเพชถ้ามารูโอ้ยสงสารลูกไม่เคยมีใครช่วยเหลือลูกเราก็ไม่เคยช่วยเหลือลูก ช่วยเหลือนามเลยปล่อยปะละเลยตูแล็ตู้แลต็ตอ่องไม่เป็นถ้าเป็นนามมาทำคือวิญญาณลูกก็ไปได้ทุกที่ทุกทางคิดอะไรก็ได้คิดได้แต่พิถีพิถึงเวมชั่วของผิดความถูกอะไรต่างๆคิดได้คิดดีปล่อยพอมาเห็นโอยลูกทุกนามทุกก็ตื่นเหลือล้อนช่วยเหลือช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามาโอ้ มันเป็นมกักเป็นผลตอบสนองแต่กอนจ้บุรีเอาหลุดไปเลยบุรีไม่ได้อดไม่เห็นทุกหนอกอะไรที่มันเคยติดเพื่อนมามันมีเหมือนกันนะพลุงพหลังอุปท า, านกังวลเรื่องอะไรต่างๆเยอะๆเพราะชีวิตผ่านมาถ้าเป็นจางหลวงตาเป็นชีวิตที่ขี้ทุกข์ขี้ยาก ลูกกำพาพ่อตายจากเป็นคนขี้ทุกข์ี้ยากที่สุดเหมือนกับจนถึงมีผ้าเขามา้าผืนเดียวเหมือนทักษสินวบ่าจนจนพตายจนเหมือนเข้าผา้าเขามา้าแล้วก็ทำงานยิ่งใหญ่ค่าคนตายมาจนถึงสองสามปีแล้ว ถ้าเกิดที่เริ่มทักสินว่าจนผ้าเขามาไม่มีอะไรหรอกม่น่ากลัวอันนั้อันจนโจรแบบนั้นอันจนแบบจนเป็นแบบทุกเน่ยจนผ้าเขามาเนะ่ะเอา้ามีผ้าเขาวมาเพียงเดียวไปทํานาก็ห่มผ้าเขามาาอะไรก็ผ้าเขาวมา้าเลี่ยงควายก็ผ้าเขามา้าเปียกก็ต้องห่มผ้าเขามาเพียง น, นั้น นุงก็พาคเขามาจนอนนนก็ต่อสู้ความย่าขางจนได้โอ้ยสงสารลูกสงสารจนน้าตาเสือ่อมมาพ่อก็พ่อก็ไม่มีพอ่อบอกไม่สอนแม่ก็ไม่คอยบอกคอยสอนอเพราะแม่ก็ไม่รู้โอ้ลองมาลูกเรื่องนี้เาัารูปทุกน้ำทุกการกอบกู้รูกจำที่ให้พ้นจากทุกเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ผูมจัดเหมือนล้งตาปลูก่าปลูกต้น้าปลูกต้นง่ายมันดีมันโตกสะหนงโตกจะนอ้งอยังไงมันเหี่ยวเราน้ำไปล้นมันแล้วก็ชื้นเบินขึ้นมามันตบสะหนงจนโตขึ้นมาแล้วมันตกจะหนง เหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์ในชีวิตเราต้นไม้ต้นใดที่เราปลูกไว้แล้วก็ไปเยี่ยมยามให้น้ำมันก็ตอบสนองการสอนตัวเองมันตอบสนองจากการมีทุกข์เอาหมดไปหมดไปจากการสุ บ, บุหรี่เอาหมดไปแล้วพ้นไปแล้วอุหรี่นิพานไปแล้วไม่มีในหัวใจ ความทุกข์ก็โค่นนิพพานลงความัว ก, ก็เบาลงความโลภ ก, ก็เบาลงความหลง ก, ก็เบาล ง, าลกกาลงทีเิตศาสนาเบาลงไม่ไม่แน่นหนาเพราะอะไรเพราะเห็นไม่ให้ค่ามันมีเครื่องมื อ, เ, อเยอะแยะเลยการปฏิบัติธรรมเห็นโลกทุ ก, กเห็นนามทุกช่วยช่วยได้ จนพ้นออกชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปใจทุกข์เหมือนเดิมก็ไม่ไม่ได้แล้วแม้แต่ทุกข์ก็มีบ้างและโกรธก็เหมือนเดิมไม่ได้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่1 0อยเปอร์เซ็นเอป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานมันคือคุณธรรมไม่ใช่ไปที่ไหนเพราะไปจากเนี้ย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 พ้อนอยู่ทุกเวลาหนาทีพ้นจากความทุกพ้นจากทีเหตตัณหาพ้นจากความอะไรต่างๆที่เป็นรูปทุกนามทุกจิตใจก็เปลี่ยนไปรู้บุญรู้า่าตรู้ศาสนาวุนก็คือใจที่มันดีกว่าก่ามาันรู้ตัวรู้ไปงูเนี่ยคือบุญแล้วแต่ก่อนเป็นงูเอามาหอบฟางสุกเอาทุกเอาหลงเอาโกรธก็เอา เป็นกูไปทั้งหมดเรียกว่ า, าไม่รู้พอไม่ลูกก็โกรธได้ทุกได้หลงได้รักได้ชงนาเต็มตัวเป็นพวกเป็นญาติบอกว่าเราว่าเรามารู้หรอมันมันเป็นบุญบุญคือรู้รู้แล้วก็หลุดบุญรู้แล้วมันหลุดไปบุญมันอิม่มมันเต็มไม่บกห้อง ไม่หิวมันอิ่มมันเต็มคือมันรู้โอ้บุญคือแปว่ารู้ดีแล้วไม่ทําชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วถ้ามันจะมีความชั่วก็เปลี่ยนเป็นความไม่ชั่วเท่าบุญโอ้บุญศาสนาคือเราคือคนเรามีศีลมีธรรมแล้วความชั่วทำความดีจิตใจบริสุทธิ์ไม่กังวลอใดๆ อ่าพุทธรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาอืมหายคายว่าขนจงตัวเองพ้นด อ, อกจากาหัวเขียวขี้โครนขี้เลนถ้าจะเปรียบตรงนี้ก็เปรียบเหมือนว่าเออเราจะหมายคนเป็นเด็กเหมือนเด็กน้อยเล่นขี้โครน ก็เห็นขี้โคนเด็กก็โจรลงไปเกลียกขี้โคนผู้ใหญ่ก็เหมือนพ่อแม่เอาลูกขึ้นมาจากขี้โคนเอามาล้างมีกลายนี่ปลูกต้นไว้ที่ฝายน้ำล้นถ้ามาหวานทางที่เข้าบ้านนะแต่ก่อนไม่มีฝายไม่มีน้ำตรงนั้น พอทางฝายน้ําล้นเห็นคันคูมันยาวเหยียดก็เลยไปปลูกต้นไม้พอปูกต้นไม้ก็มีบวกหนองที่มันบวกที่ต่อยแล้วว่าฉันเห็นที่ตรงนั้นแต่วบ้านไปเพมก็เด็กน่าก็ไปรวมกันพอเด็กน่าเห็นบวกน้ําขังเป็นที่เคลนแล้วก็ ลงไปลุยลุยแล้วไม่ใช่ลุยจะมาก็นั่งหลงเกลียบลงไปนอนมันควายไปเลยเพราะแม่ก็วิ่งวิ่งลงไปกูจับเด็กมาอยู่มันมันพี่คนมาเปียกแล้วก็ปล่อยมันเล่นจนมองไม่เห็นเป็นผู้เป็นคนเลยมันก็ว่ามันจสนกแต่พ่อแม่ก็เอาเข็นมาเอาเข็นมาก็มาอุม้มขึ้นรถพอใจ เอาไปอาบน้าอันตัวรูปเนี่ยไม่เห็นตัวหลงช่วยตัวหลงเนะ่ะยตัวหลงมันเป็นไรมันเปื้อนตัวทุกมันเปื้อนตัวโกรธมันเปื้อนอะไรต่างๆมันเปื้อนแม่แต่คิดเนี่ยโอ้ยเอามือรูปโปกเลยแต่คิดชั่วนะมันเปื้อนมันเปื้อนจิตไม่ใช่ใบคิดแบบจ้าด้านๆนะพอเห็นรูปเห็นน้ำานละ เอามือมาลูบออกเลยว่าคิดแลวแค่นี้ก็คิดเลยไปแล้วเลยแค่นี้ก็โกรธเลยแค่นี้ก็หลงเราเลยอันว่าอย่างนี้ตัวรูกนะี่เมื่อมีตัวรูกมันไม่ใช่ตัวรูกธรรมดาเป็นยานเป็นปัญญาด้วยก็ช่วยช่วยตัวอย่างองาเท่าพ่นไปก็เออก็มันก็ไปเรื่อย มันเป็นสูตรเป็นสูตรไปการปฏิบัติธรรมได้อย่าชักไปหานะไปหาไม่เห็นนะต้องทำให้มันมีขึ้นสูตรตัวนี้ไม่ใช่หาไม่ใช่คิดหาไม่ใช่ทำเอาเดินจากความหามาันเมื่อไรไมันจะเกิดเมื่อไรไมันจะเกิดเมื่อไรไมันจะรู้ไม่ใช่แบบนั้นมันก็รู้อยู่แล้วพอํำลงไปก็รู้อยู่แล้วยกมือเคลื่อนไหวก็รู้อยู่แล้ว เคลื่อนอยู่นี้มันก็มีอยู่จริงคือรูปใช่ไหมแต่ก่อนเราไป็รูปวันลูกนี่มันทําอะไรของมันเป็นไหมทําไมเป็นมันยกมือว่าอย่างนี้อะไรสั่งมันมันกํากับปั้นอย่างนี้อะไรสั่งมันไม่ใช่รูปวันทะเบกมันมีน้ําไม่เหมือนต้นเสาตอนนี้เอาเสายกมือไหวแล้วใช่ไหมเคลื่อนไม่เป็นไปนั่งนั่นดูจีไปเข้ารงหนังดูจีไป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 เลยก่อนอยู่คนเดียวก็ไปอ่านหนังสือไปตีไปดกุกก็ไม่มีใครไปใช่พอดีก็เอออาญาลงมาเวลา ล, ลางนี้ก็ญาติลงมาที่นี่มาเป็นหอไตที่นี่แล้วก็แต่ก่อนพวก็หนุ่มอาจจะดีเน่นหนาะเดี๋ยวนี้ก็สุดโวมลงไปแล้วก็ซ่อมแซนต่อต่อกอนพวงก็กินเสาขาด ขึ้นไปนั่งไหนงอนแยนงอนแยนก็มาต่อมาทําใหม่อันนี้ก็ไม่เที่ยงของของลูกลูกไม่มีน้ําอันชีวิตเราก็เหมือนกันมันก็มีความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ก็ไหลไปของวันอยู่เรามาเห็นเนี่ยโอ้เห็นลูกเห็นน้ําเห็นอาการของลูกของน้ําเห็นลูกทุกน้าทุกลูกโล ก, ลกน้าโลก มันก็เป็นแหลกของโลกอัโลกกับรูปเนี่ยน้ำก็เป็นโลกโลกของรูปมีหลายอย่างการร้อนการหนาวการปวดการเมื่อยการเหนียวการกระพันถ่ายเป็นโลกของน้ำโลกอันนี้โลกบางอย่างเราต้องช่วยตัวเราโลกบางอย่างต้องช่วยหมอ ต้องเหมออ๋อต้องให้หมอมาช่วยอาศัยหมออานนี้โลกโลกมีหลายโลกนะโลกโลกน้ำโลกโลกทำน้ำทำเห็นเป็นสูตรเป็นสจทย์ไปไปก็เห็นเป็นปรามัดระบาดนะปรามัดปรามัดคือของจริงจริงแบบไม่จริงมันทุกวนหงความไม่เที่ยงก็จริงแบบความไม่เที่ยง มันก็จริงแบบความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบความเป็นทุกข์แต่มม้ไม่จริงแบบความเป็นทุกข์ในความจริงมันมีความไม่จริงในความไม่จริงไม่มีความจริงเรียกว่าปรมติสมมุติบัญญัติขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดเลยอะไรอะไรก็เป็นสมมุติเต็มโลกเราก็หลงตรงนี้ ว่าเห็นประมัิเห็นสมมุติเห็นมันญยัดเห็นวัตถุอาการต่างๆเหมือนอาจารย์หลวงพ่อมหาปานบัตรโตกป่าหลวงเวียงจันประเทศเราสอบอารมณ์หลวงพ่เทียนว่าสมมุินะว่าสีชยงหมัอ่า โยมเจงคานอยู่สียางใหม่วัดมุกดาหาราวัดลังสีมุกดาหารอยู่นี่แต่อาจารย์สั่งให้โยมเจงคานมาหาแต่ว่าทางระหว่างาสียางใหม่มาบัดลังสีมุกดารามไม่มีป่าเขยิงเสือไปตรงนั้นแต่มันไม่ตายมันใส่ใครมาก็กัด ถ้าอาจารย์สั่งให้โยมเจ้าการมหาเนะีาาย่ยจะมาไหมเราผูาเที่อ่านการตอบอย่างประมาทเลยต้องมาอาจารย์สั่งมาเอาถ้ามาเล้วเสือกัดเอาเสืยเ อ, อส ย, ยังไม่กัดผมไม่กลัวหรอือยังไม่กลัวไม่กลัวเ อ, อ้ถ้ามาเสือกัดผมังไม่เห็นเสือ ผมจะกลัวยังไงถ้าเสือมาหาผมผมว่าจะฆ่าเสือได้ <c oughs> กลือเชี่ยไหมเกลือก็ไม่เชี่ยเพราะมันเป็นบัญญัติบัญญัติอย่างนี้อะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราบัญญัติว่าชอบบัญญัติว่าไม่ชอบบัญญัติว่ากลัวบัญญัติว่ากล้าถ้าบัญญัติว่ากลัวก็ไม่อยากทํำทมดีขี้เขียดถ้าบัญญัติว่าไม่กลัวทํำกบข้าวก็ได้ จับสะวุธฆ่าหัดทหารกันด่ากันก็ได้ถ้ามันบัญญัติว่ามันดีความชั่วมันบัญญัติว่าดีความผิดบัญญัติว่าถูกความทุกข์บัญญัติว่าสุขมันก็ทาได้เช่นเราบัญญัติตัวเราความโกรธมันดีไหมปรัมัตมันไม่ถูกความไม่โกรธเป็นความโกรธเป็นสมมุติบัญญัติามไม่โกรธเป็นปรัมัตสัจจ ความโกรธดีไหมเราก็รู้ว่าไม่ไดีแต่เราทำไมจึงโกรธเราเมื่อบัญญัติเราก็ไปตามบัญญัตบัญญัติเราทำไมเราโกรธทให้เราทุกทําให้เรารักเราชังอะไรต่างๆบัญญัติเราบัญญัติเอาเองต่างกันบางคนบัญญัติเอาความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นบางคนบัญญัติเอาความสุขความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็น ความสุขของคนอื่นเช่นไม่กินเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่สูบบุหรี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายไปนุ่งผ้าถุงซะบางทีเขาบอกกันสมยก่อนเคยเป็นไม่กินเหล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะแต่แต่ก็แข่งขันกันถ้าแข่งตามแต่ก็หล่นต้องปรับลูกลูกเอก ลูกเกหน้าไอแปะหน้าไอแปะหลังเตะหน้าเตะข้างหน้าถ้าตกลูกระบาดถ้าหลังซ้นหลังแปะหลังถ้าตกลูกห้าสิบต่างก็กรรมการก็เขียนไว้เขียนไว้ใครใครไม่ตกก็ปรับไปปไปถึงเวลาหยุดก็เอรวมเงินกันไปซื้อเหล้าไวกินให้พ่อคนดุงใส้ไว้ก่อน ไม่เหมือนแต่ก็ออกทุกวันเนี่ยนะแต่ปักแต่ก็ออทุกวันเขาทําให้ตกถ้าตกทําให้ตกไล่เขาชนะแต่ก่อนไม่ให้ตกเลยแต่แต่ก็ไม่ให้ตกเลยก็อ่าเสียเงินแล้วก็ซื้อเรามาจินจ ก, ก็เขาจะเทรถปากเราเข้ามาจินไอ้ตัวเมียเอ้ยมึ่อเนี้ ย, ย, ยกินแล้ว <laughs> นี่เขาบัญญัติว่าสุขของเขา เราไม่กินเหล้าคนว่าทุกของเรามันโง่เลยเป็นอย่างนั้นก็มีนะบัญญัติถ้าประหัรฐานกันถือสัตาวุธเข้าวันเข้าฆ่ากันตายร่อง ต, ตายไปก็ไม่กลัวถ้าบัเดือด ว, ว่าว่าถูกของเขาเขาทาลงไปได้บัญญัติเชือกมาแขวนคอตายบัญญัติเอาปืนมายิงตัวตายบัญญัติ กินยาตายบัญญัติเอาไฟฟ้ามาชัดตัวเราตายบัญญัติอะไรต่างๆแล้วแต่บัญญัติเนี่ยมันเป็นต้นโลกทีเดียวเรางพ่เทียนมาลือถอนตัวเนี่ัญญัติเนี่ยไม่ไม่ใช่อาบัญญัติเนี่ยมันก่อนไม่ใช่ไปเห็นเข้าจริงๆไม่ใช่สุขกอนสุขทุกข์กอนทุกข์เจ็บกอนเจ็บไม่ใช่อย่างนั้นบัญญัติปรมัาจัจะ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 เราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเยอะแยะไปเลยเดือดร้อนตัวเราเดือดร้อนคนอนื่นพอเห็นปรมาจารบัญญัติสมมุติบัญญัติสมมุติปรมาจาสัจจะสมมุติบัญญัติหรือถอนเราเห็นศินเห็นสมาธิเห็นปัญญาฉินเป็นไงสมาธิเป็นไงเราสัมผัสโอเรามีฉินมานานเราไม่รู้แต่ก่อนน่ะ เรามีเส้นว่าเราอยู่กับเส้นวานานไหมไม่ถามใครแบ้งเส้นน่ะไม่ถามหลวงพ่อเทียนผมมีเส้นแล้วหรือยังผมมีเจมิญวิหรือยังผมมีปัญญาหรือยังไม่มีคําถามแบบนี้โอ้เรามีเส้นแล้วมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ปรบมัิเนี่ยไม่ใช่ไปขอโอ้ แล้วก็ปกติอยู่นี้กายก็ไม่ทําบาปทั้งชั่วอะไรใจก็ไม่ทําบาปทั้งชั่วอะไรแม้แต่คิดคำก็ไม่กล้าคิดโอ้เราก็มีสินสินคือเจตตาสินนี่คือหนักแน่นสินมาจากคําว่าชิลาชิลาคืออะไรคือก้อนหินไม่หวั่นไหวลมพัดก้อนหินก็นยืนอยู่นั่งอยู่ ไม่เหมือนเขาเ้าวเลีไม่เหมือนนุ่นโอ้เราไม่หวั่นไหวมานานโอ้ฉินไปเป็นนี่ด๋อชินลานคือก้อเห็นหนักแท้ใ น, ในกานกระทำทำลายเป็นเป็นจำานที่ตั้งใจล่างถ้วยก็ตั้งใจกวดบ้านก็ตั้งใจอาชักผ้าก็ตั้งใจอะไรก็ตามปลูกน้อยก็ตั้งใจเคยสอนขนปลูก็น้วยประคับประคองเหมือนเราลูกอ่อนลงใชยอู่ใช้เปล เวลาเอาถุงต้นไมาออกจากถุงประคับประครงสองมือเหมือนเอ า, เ อ, า อ, อกต้นไม้ลงหลุมเหมือนเอาลูกร่อนลงใส่เปลนอนค่อยๆตัเรียกว่าสมาธิทำอะไรก็เป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจมาสองจิตสองใจอ่านหนังสือก่านหนังสือสมัยสอบอักษรธรรมชั้นเอกนะอ่านพาจิต ด, ดูซิ ทดลองดูจีสองเที่ยวจำได้ไหมสามเหมืนทัดพระสิทิ์ของทอมเบกก็ต้องให้สามเมืนทัดเช่นว่ามโนปุฟังขมาธรรมานี่แถวหนึ่งมโนเสถ่ามารวยานี่แถวหนึ่ง ทำทั้งหลายมีใจเป็นใจมีใจเป็นองหนา้าว่าสองโรกให้ได้มันมีสมาธินะถ้าทำอะไรที่มันมีสมาธิดีมันมันดีหลายอย่างนะอะไรก็งามทำอะไรก็งามเรียบร้อยเมื่อวานหลวงตาก็ไปพาพระทำงานเอายกอิดปกตรงนี้ออกย้ายไปพระก็ไปวางเยๆแตก่กไม่ถูกต้อง วางใหม่เอาอิฐยกตรงนี้ไปวางที่ไหนละวางโลูกยกอิฐยกไปวางไว้ทื่นก็ลกที่อื่นวางดีกว่าได้นไหมทําไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิในการทํางานก็เลยบอกว่าไปวางตรงนั้นลองดูสิให้เป็นขั้นก้อนห็นไว้ไปเราเราปวาดอันจะไม่เห็นที่เรามาปูเนี่มันจะไม่กระเด็นเรา ยกออ ก, ก็กวางไปวางเป็นแถวกั้นเห็นด้วยสวยงามตําไรมันดีนะถ้ามีสมาธิไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไปทำงานห้องครัวก็สะอาดที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยเชือกผ้าก็สะอาดศีลมันไปอยู่ในบ้านในครัวในที่ทำงานโต๊ะ เ, เก้าอี้ ของอยู่ของกินสะอาดเรียบร้อยโอ้เราม่ศีลเนี่ยศีลที่ไม่ใช่ไปรักษากายวาจาเรียบร้อยเชื่อว่าศีลมาเรียบร้อยหลายๆอย่างศีลเออไปรูปศีลรูปสมาธิรูปปัญญาศีลก็จัดกิเลสได้จริงๆอ่ะศีลแบบนี้หรือว่าศีลสิกขาก็ามารูปศีลเน่ยโอ้ยเยอะๆเลยฮะดงแห่งปัญญาเลยทีเดียวมาศึกษาดงที่รูปที่นามเนี้ มันมีอยู่ทุกคนจะมาขอกับพระหรือสินอะอันนั้นเป็นสินสังคมบัญญัติเพื่อให้เรารักษาอยู่ด้วยกันอันละกิเลสไม่ได้เลยอันสินจิกขาที่มันเกิดจากาการเจริมเตินี้มันละกิเลสได้นะมันละได้ <laughs> อโออาเฉลิมเฉสีเลยจุกระยติผูมีทรัพย์สมบัติก็พ่อฉิน มีความสุขพอฉินชื่อนะโพกสมปทาผู้มีทรัพย์สมบัติได้เพรอฉินเชืเ่อนนิพพติงยันติผู้ไปนิพพานได้ก็พรอฉินโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้ใจมันดีกว่าเก่าพ้นภาวะเก่าขึ้นไาปรามาัดเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปาาัญญาเห็นปรมัตดเห็นสมมติปัญญะลือถวนค่อยกับว่าเข้าประตูทำไปเลยตอนนี้นะ ใจก็สูง ข, ขึ้นไปอย่างนี้นะไม่ใช่คิดหานะมันเห็นมันทําให้มีโอเหมือนเลือดล่งตาผู้ละวานด้วยถ้าเกรดเป็นดีมันเข้ามหาวิเลยได้ตั้งแต่ปฐมตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้มีไหมตัวลูกเราหลงไปไหมแล้วก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกได้ไหมเปลี่ยนได้ก็เกรดดีไปเรื่อยไป ให้ค่าเลยรไหมใช่มีตัวลูกไปหรือเปล่าศึกษาหรือเปล่าถลุงหรือเปล่าเพราะว่าสิทขานี่คือถลุงคือย่อยเหมือนเขาถลุงแล้วแล้วมันเป็นก้อนหินแต่ว่าย่อยออกมามเป็นเหล็กเป็นเงินเป็นทองอันที่กาที่ใจเรานี้มันเป็นดุนเป็นค้อนหรือว่าลูกดําเพราะมีสติเข้าไปมันหลงมันย่อยออกมาเรีวยกว่าสิกขา สิขาของภิกษุมีสามอย่างคือศินคือศินสมาธิปัญญาการรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศินการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิรอบรอบลู่ในกองสังขารชื่อว่าปัญญ า, เ, าเราก็ตอบได้เรียนมาบัด น, นี้ไม่ใช่อยู่ในตํารากระดาษมันอยู่ในเรานี่เรามีสติเนี่ยมันเป็นรักษากายวาจาใจหรื การมีสติสัจใจชี้รูน้นี้มันเป็นสมาธิไหมเคลื่อนไหวอั่นี้เป็นเป็นสมาธิไหมหรือเป็นนั่งหลับตาอ่ะวันหลับตาเนี้ยวันรู้อะไรไหมนั่งหลับตาหลับ ต, ตาแค่เป็นตั่งอยู่ในกติพุทธยานอยู่ใกล้ๆหมู่ดงป่าไรอ่าก็หลืนตาอยู่ที่การแตมัน มันทะลาะกับอะไรมาแกล้งแกลกล้งองอยู่ว่าฟังเสียงอยากไม่เห็นตัวมันฟังแต่เสียงแล้วก็หันหน้าไปทางมันล้องอยู่ว่านั่งหันหน้าไปทางนั้นเสียงมันก็มีสองเสียงเสียงกระแตก็ล้องแกลแกกล้งอยาอีกเสียงก็เนี้ยก็ฟังมาฟังมาเออมันกรเแตไลงูมากระแตมันออกลูก งูเห่ามันไปทางนั้นก็ไล่ก็กัดหางเลื่อยไปกัดแต่ก็เว่งกัดหางงูเห่าก็คืนมาฉกฉกมันก็คืนมาเอาไปมากระแต่กัไล่มาไล่มาเหมือนนกกังเฉนถ้าเห็นงูเขียวมาก็แตะมาที้หนึ่งก็มีนกกังเฉนมาอยู่กระบวยจากน้ำ อเมื่อก็ไล่งูได้แต่ไล่งูมามาหาเราเราเล่นตาเยอะอ่าแล้วก็มีกระติเตียงเอาแฝกมุงเอาเตียงไว้ตั้งไว้นอนอะก็มันเรื่อยมามจะมาเข้าใต้เตียงเรานั่งอยู่งูเหา่าาะเลยก็บอกมันว่ามันไม่รู้เราเราก็ไม่เคลื่อนไหวก็นั่งดูมันเลนตา ถ้าไม่เลืนตาเขียนงูไหมเน้นว่า <c oughs> ก, กัดเราเถอะสมาธิเป็นนั่งหลับตาเหลือไม่จช่สมาธิแบบนั้นเลืนตาอยู่องูมาเลื่อยมาเลยมากระติกเตียงก็ไม่สูงนะก็เลยเอากล่องไม่ฉีดโยนไปไม่ต้อถูกหัว ง, งูพอดีงูก็ตกใจตื่นขึ้นมาโชูคอขึ้นใส่ลรา วัแผลผังผ่านเห็นเรานะเราก็โอผ้ากีบอมาค่อยๆปิดหน้าไปไอ้กูโหเออขอโทษเด้อเพราะว่าจะบอกเทอว่าเรานั่งอยู่นี้ทำไมตกใจน้องขอโทษขอโทษก็นั่งกีบอมันจะผลน้ำลายเจก็นว่าเอากีบมาปิดตาไปเด่อยนะเด็กปุ๊บลงก็วิ่งเข้าโกไปเอันไปหลับตามันดีอย่างนี้ หลับตางูเลื่อยมาเลยมานั่งตาเราเห็นมันเลื่อยมามันจะตกตกละตัดตายไปทีเดียวสมาธิไปนั่งหลับตาไปทํางานปลูกต้นไม้ไปเขียนหนังสือเป็นหมอก็ไปทํางานไปเขียนไปเขียนบัญชีไปชิ้จาสมาธิแนะ่นอนสมาธิเป็นสําหรับใช้งานใช้การศิลปสมธิปัญญานี่ไม่เป็นไปอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมมาเห็น อุปทานขนานันห้านโชว์ที่สุดเลยโชว์ตลอดแบบอะไระไรไม่โชว์เท่ากับขันห้าเลยมันโชว์สุดท้ายเลยเราบาชนะตรงนี้กันการปฏิบัติธรรมมันมีสวดไปสวดไปสวดไปเอาใช้เรามาชมจี่จม้ามีเรียนดาข้อต่อ ก, กองครัครูพค้ชเจ้าก็ทรงแสดงสั่งสอน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 แต่ว่าสมเป็นบุตติเทพสมมุติเทพเป็นกษัตริย์แต่ว่าเสมอกาดโดยสามัญลักษณะคือเหมือนกันกับเราไม่ใช่วิเศษวิโสมาจากไหนอวันนี้ก็พูดให้ฟังเนาะก็สมควรใจเวลาการป้องกัน